คนไทยชื่นชมนับถืออเมริกาคนรู้จักว่าอเมริกาเป็นมาอย่างไรเขาเล่าไปเรื่อยยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียเมื่อประมาณ15ปีมาแล้ววันหนึ่งมีคนมาเลเซียมาที่วัดเขาเข้ามาหาและบ่นวิตตกกังวลว่าตอนนี้ประเทศมาเลเซียประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเป็นสเตเตอร์เลเจนแล้ว ก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องการศึกษาเล่าเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆเขาถามแสดงความสงสัยและไม่พอใจขึ้นมาเองว่าทำไมพวกนี้ถือโอกาสเอาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติทั้งๆ ท, ที่คนมุสลิมในมาเลเซียมีแค่49เซเท่านั้นรัฐบาลกลับประกาศว่ามี51ปอร์ซให้ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ ที่จริงมุสลิมมีแค่49แต่รัฐบาลบอกว่ามี51เปร์เราอ้างว่าเป็นเสียงข้างมากและประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติในเรื่องนี้ในด้านตำราปัจจุบันคือปีพุทธศักราช2545สถิติของ M.S. Enkata Encyclopedia 2002ระบุว่ามาเลเซียมีศาสนามุสลิม53เเซ พุทธ์คริสต์อดอินดูแและอื่นๆ 9% เอรนเราก็มาคิดว่าที่จริงนั้นไม่สำคัญหรอกจะเป็น 49% หรือ 51% ปหรือแม้แต่ 60% อร์ซว่าเกินครึ่งเป็นส่วนมากแล้วแค่นี้เอาเป็นศาสนาประจำชาติก็แปลกแล้วจะเห็นว่าคนในประเทศไทยกับประเทศต่างๆที่ยกมานี้มีความคิดมีการมองอะไรอะไรไปนคนละแบบ แม้แต่ประเทศที่ยกย่องกันว่าพัฒนาสูงเยี่ยมเช่นประเทศอเมริกาที่บอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนาถึงกับแยกรัฐกับศาสนาถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเขาแยกแบบครึ่งๆกลางๆยกตัวอย่างเช่นเวลาประธานาธิปดีอเมริกาเข้ารับตำแหน่งมีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตาแหน่งหรืออินนอกอิโรทั้งๆ ท, ที่ประเทศอเมริกา มีชาวคริสต์อยู่ราวๆแปาเป์เ็นป็นโปรเแตสเปรเ็นต์เป็นคาทอลิก20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เวลาทําพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีต้องสาบานตัวกับคัมภีร์ไบเบิลต้องเอามือทาบนคัมภีร์ไบเบิลแล้วกล่าวลงท้ายว่า So help me God แม้แต่พิธีสาบานทงซึ่งเป็นการแสดงความพักดีต่อชาติอเมริกัน เขาก็มีกฎหมายออกมาซึ่งรัฐสภากำหนดคําสําหรับปฏิญาณตนไว้ตอนหนึ่งว่า One Nation Under God คือประเทศอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งเดียวภายใต้พระผู้เป็นเจ้าถ้าถามว่าประเทศอเมริกามีศาสนาประจำชาติไหมาตามหลักฐานนี้ก็บอกได้เลยว่ามีหรือเขาถือศาสนาไหนเป็นศาสนาประจาชาติก็ตอบได้เลยว่าถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ แม้เขาจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญให้รัฐกับศาสนาแยกกันก็เป็นเรื่องมาตามภูมิหลังคือต้องแยกรัฐกับศาสนาเพราะปัญหาความขัดแย้งของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์และเพะโปรเตสแตนต์ที่มีหลายนิกายทะเลาะ ก, กันจะเอาอันไหนเป็นใหญ่ไม่ได้ที่จริงในตัวรัฐธรรมนูญแท้ๆก็ไม่มีคาที่บอกว่าแยกรัฐกับศาสนาที่บอกว่า s e a t i o n of และ between church and state นั้นที่จริงเป็นการปลายความหมายของเจฟเฟอร์สันการที่อเมริกาประกาศให้มีเสรีภาพทางศาสนาและบอกว่าแยกรัฐกับศาสนานั้นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องศาสนาทั้งหลายความจริงเป็นเรื่องระหว่างคริสต์กันเองคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งโปรเตสแตนต์ Protestant ที่ต่างนิกายกันเป็นร้อยๆลงกันไม่ได้นั่นต่างหาก ปัญหาเขาอยู่ที่นั่นคือเขามีนิกายมากมายแล้วตกลงกันไม่ได้อันหนึ่งด้วยเหตุที่ว่าแม้เพียงระหว่างศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายเขายังทะเลาะรุนแรงขนาดนั้นจึงเป็นธรรมดาว่ากับศาสนาอื่นเขาย่อมยอมรับไม่ได้ดังนั้นพวกยิวในอเมริกายุค ก, ก่อนนั้นจึงถูกกำจัดรุนแรงด้วย หลายคนหลงไปตามเรื่องราวของอเมริกันที่มองกันไม่ชัดและเข้าใจผิดว่าการแยกรัฐกับศาสนาและการมีเสรีภาพทางศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งที่จริงไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นยังมักเข้าใจผิดต่อไปอีกว่าการแยกรัฐกับศาสนาแบบอเมริกันนี้เป็นความเจริญก้าวหน้าทางอารยาธรรมแต่ที่จริงไม่ใช่เลย มันเป็นความติดตันของอารยธรรมต่างหากถ้าไม่ถึงกับจะเรียกว่าเป็นความอับจนของอารยธรรมปัจจุบันการแยกรัฐกับศาสนาของอเมริกันนี้อย่างดีก็เป็นก้าวหนึ่งในอารยธรรมของเขาที่เดินหน้าไปหน่อยโดวยวิธีตัดปัญหาคือเมื่อคนยังใจแคบกันนักยอมรับความจริงกันไม่ได้และจะแก้ไขจิตใจคนก็ไม่ได้ ก็ตัดปัญหาเสยเลยด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะในเรื่องนี้จิตใจคนยังพัฒนาไม่พอถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องเกิดเรื่องก็เลยเอาแค่สร้างกำแพงขวางกันอย่างที่เจฟฟ์สันว่าปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้นไม่จัดการมันเหมือนกับบอกว่าดูภูมิหลังพวกฉันสิฉันทำได้แค่นี้แหละแต่ก็ปรากฏว่ากำแพงที่เขาก่อไว้นี้ ก็ก่อปัญหาแก่อเมริกาเองยังไม่จบตัวแท้ของปัญหาอยู่ในใจของคนซึ่งกฎหมายแก้ไม่ได้พูดสั้นๆว่าการปฏิบัติของอเมริกาในเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ทั้งความติดตันของอารยธรรมมนุษย์ที่ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีแยกตัวออกมาไม่ยุ่งเกี่ยวและทั้งแสดงถึงปัญหาพื้นฐาน คือการที่มนุษย์ทั่วไปมีจิตใจที่ยังไม่พัฒนาเพียงพออย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการที่จะพัฒนาจิตใจมนุษย์ทั่วโลกหรือส่วนใหญ่ให้กว้างขวางเป็นจิตใจที่เสรีจริงถึงขั้นที่อยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตาพร้อมกับสแสวงสัจธรรมด้วยปัญญาได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นก้าวใหญ่ที่ยังไปถึงได้ยากแต่นี่คือสิ่งท้าทายการพัฒนาอริยธรรมที่แท้จริง นอกจากนี้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่มุ่งหมายจะให้ชาวพุทธมาอ้างมาเถียงกับประเทศอื่นๆว่าที่โน่นที่นั่นเขายัางอย่างนั้นอย่างนี้แต่มุ่งให้รู้เท่าทันสถานการณ์ตามเป็นจริงว่ามนุษย์หรือชาวโลกยังเป็นกันอยู่อย่างนี้ซึ่งเราควรจะก้าวให้พ้นเลยต่อไปเพราะศักยภาพของชาวพุทธมีมากกว่านั้นเราสามารถสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้แก่โลกได้ตรงนี้สิ เป็นงานที่เราควรจะคิดกันอย่างจริงจังแต่ทั้งนี้ก็ต้องปฏิบัติตามหลักที่พูดแล้วว่าใจดีอยู่กับเขาโดยมีเมตตาแต่ก็ต้องปฏิบัติจัดการด้วยปัญญาและอยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้แต่ freedom of religion และ separation of church and state คนไทยยังอ่านแล้วก็ไม่ได้เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายเหมือนอย่างที่ผู้สร้างกฎหมายของอเมริกาเข้าใจ เพราะต่างก็คิดไปตามภูมิหลังของตัวเรื่องนี้ต้องมีเวลาว่ากันอีกหันกลับมาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนบางทีเราไม่รู้ภูมิหลังไปเห็นแต่เพียงตัวหนังสือว่าอเมริกามีแสรีภาพทางศาสนาให้ศาสนากับรัฐไม่ต้องเกี่ยวข้องกันยังไม่รู้ว่าเขาเป็นมาอย่างไรและจะเอาวิธีนี้มาใช้กับประเทศไทยโดยไม่เข้าใจภูมิหลัง สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเอาสิ่งที่เป็นโทษมายัดเยียดใส่ประเทศของตัวเองนายกรัฐมนตรีไทยเวลาเข้ารับตาแหน่งถ้าจะเอาอย่างอเมริกาน่าจะมีพิธีทางพระพุทธศาสนาบ้างอย่างอื่นเอาอย่างอเมริกาแต่อย่างนี้ไม่เอาตามประเพณีของเราในพิธีบรมราชาพิเศษ มีการประกาศราชธรรมต่างๆคือหลักการปกครองแผ่นดินตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งทศพิต ร, ราชธรรมักวติธรรมราชสังหาวัตถุและกัตติยาภละเมื่อเรามาเป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้นำวัฒนธรรมประเพณีมาสืบต่อทำไมเราจึงล่าเลยเสียเป็นเรื่องที่ควรจะต้องพิจารณาอาจจะพูดเชิงล้อหน่อยว่า นี่เป็นตัวอย่างระดับชาติของการที่คนไทยเวลานี้จะเอาอย่างอเมริกาก็ทำไม่ได้จะรักษาความเป็นไทยก็เอาไว้ไม่อยู่หมายเหตุ <My head. S 1> ความเป็นมาระหว่างศาสนากับรัฐในสังคมตะวันตกได้เขียนไว้เป็นบทแถมท้ายในหัวข้อบาทหลวงฝรัง่งเข้ามาสมัยพระนารายทําไมว่าเมืองไทยใจเสรี ไม่มีที่ไหนเท่าเทียม